1. ความทุกข์อยู่ในใจเราพอคิดก็ทุกข์ขึ้นมาวงเล็บเปิด25่ธันวาคม2549จุดจุดนาที11เวงเล็บปิดเรามาดูจิตใจเราจะเห็นเลยว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวเราดูไปทุกวันทุกวันใจมันรู้นะมันจะเลิกบ้าความสุขเลิกแสวงหาความสุขเลยมันรู้เลยวิ่งหาแทบตายได้มาแผลบเดียวเดี๋ยวก็หายไปอีกแล้ว เหมือนวิ่งไล่จับเงาทั้งวันนะวิ่งหาความสุขตระคุบมาแ ป, ป๊บหลุดมือไปแล้วหนุ่มหนุ่มนึกออกไหมตอนไปจีบสาวทีแรกนะจีบตั้งนานใช่ไหมพอจีบสําเร็จมีความสุขมีความสุขไปเดี๋ยวเดียวโอ้มันไม่ตายสักทีนะมีความทุกข์อีกแล้วความสุขมันสั้นๆสังเกตดูในชีวิตเราวิ่งหาความสุขตลอดเวลาเลยเราไม่รู้ความจริงว่าความสุขเป็นของชั่วคราวบางคนก็วิ่งหนีความทุกข์ ความทุกข์อยู่ที่ตัวเองจะหนีได้อย่างไรความทุกข์อยู่กับกายกับใจตลอดเวลาจะวิ่งหนีได้อย่างไรมันวิ่งหนีไม่ได้หรอกฉะนั้นต้องกล้าหารนะหันมาดูความทุกข์อยู่ในใจเราเราคอยรู้ไปถึงวันหนึ่งมันรู้เลยมันทุกข์เพราะคิดนั่นแหละคิดก็ทุกข์ขึ้นมารู้เฉยๆไม่ทุกข์นะรู้กายรู้ใจรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเป็นไม่ทุกข์หรอกมันทุกข์เพราะไปคิดเอาเฝ้ารู้ไป ในที่สุดจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์เป็นของหลอกๆของชั่วคราวใจมันจะเลิกดิ้นมิฉะนั้นเราต้องดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ตลอดชีวิตนะอย่างตอนเด็กๆเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเรียนหนังสือจบแล้วเราคงมีความสุขยังเป็นนักเรียนอยู่ยังต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่อยู่นะมันไม่อิสระถ้าเรียนจบแล้วเรามีงานมีการเราคงจะมีความสุขพอเรียนหนังสือจบนะเฮ้ยได้ด็อกเตอร์ด้วยคงจะดีคงจะมีความสุขกว่านี้อีกเรียนจบแล้ว แม้มีงานดีๆทําถ้าจะดีนะเพอได้งานทําแล้วถ้าเงินเดือนเนยอะๆน่าจะดีกว่านี้อีกความอยากมันดักอยู่ข้างหน้าตลอดเลยให้วิ่งตลอดเลยเสร็จแล้วอยากได้ตําแหน่งใหญ่ๆนะได้ตําแหน่งใหญ่แล้วคงมีความสุขไม่เห็นมันมีใครมีความสุขเลยนะมีแต่ว่าถ้าได้อย่างนี้แล้วจะสุขถ้าได้อย่างนี้แล้วจะสุขถ้ามีผัวมีเมียวสวยๆนะก็คงมีความสุขความสบายมันก็สุขสบายประเดี๋ยวประดาวนะมีคนที่หนึ่งนะก็สุขแวบๆนะ เ, ออเบื่อแล้วถ้าได้อีกสองคนคงจะมีความสุขมากกว่านี้อีกเสร็จแล้วถ้ามีลูกไบรท์ในวงเล็บอัจฉริยะคงจะมีความสุขลูกเรียนหนังสือเก่งๆลูกทํางานเก่งๆคงจะมีความสุขมีแต่คําว่าถ้าจุดๆๆแล้วจะสุขถ้าจุดๆๆแล้วจะสุขพ่อแก่ๆนั่งอยู่เฉยๆก็เคล็ดขัดยอกอยู่เฉยๆก็ยอกได้นะกระดูกกระดิกนิดเดียวเดียเด๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวด มันจะรู้สึกเลยว่าวันไหนไม่เจ็บไม่ปวดนะคงจะมีความสุขจนกระทั่งเจ็บหนักใกล้ตายนะทุรนทุรายหลวงพ่อเคยเห็นคนอยู่ในโรงพยาบาลเจ็บหนักเอามือเขยา่ารูปกงเตียงใหญ่เมื่อไหร่จะตายเสตีโว้ยเราก็อยากถามว่าทำไมอยากตายละโว้ยอยากจะพ้นทุกพ้นร้อนถ้าตายแล้วจะได้มีความสุขดูซิจนถึงวันตายยังหาความสุขไม่ได้เลยตะเกียกตะกายไปอย่างนั้นแหละตลอดชีวิตเลย แต่ถ้าเราไม่มีสติความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะกุศลอกุศลใดๆทั้งปวงล้วนแต่เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเห็นเลยจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงจิตใจนี้ทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยที่สําคัญมันทํางานของมันเองด้วยมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราก็เลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะเลวเราก็เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้นะจิตเนี่ยถ้าเราสั่งได้เราก็สั่งให้มันดีเลยจงมีแต่ความสุข จงมีแต่ความดีจงอย่ามีกิเลสมันสั่งไม่ได้เนี่ยเราดูไปจนเราเห็นความจริงจิตใจนี้เขาทํางานทั้งวันทั้งคืนเขาไม่เที่ยงเขาทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้จริงหรอกยกเว้นไปเพ่งเอาไว้นะเพ่งเอาไวทา้ทําฌานทําสมาธิก็อยู่ได้นานหน่อยพอออกจากฌานมันก็แขว่งเหมือนเดิมนั่นแหละหรือแขว่งยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะสงบมามากแล้วพอถอยออกมากระทบโลกนะร้ายกว่าเก่าพวกที่ติดสมาธิเนี่ย อารมณ์จะฉุนเฉียวกว่าคนปกติเสียอีกคอยรู้สึกนะจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้ดูเขาไปอย่างนี้จนเราเห็นความจริงจนใจยอมรับความจริงจะยอมรับความจริงคือใจยอมรับธรรมะนั่นเองธรรมะคือตัวความจริงธรรมะมีสองส่วนรูปธรรมคือเรื่องของกายนี้ความจริงของกายนามธรรมาเป็นเรื่องความจริงของจิตใจเรียนรู้ลงไป ความจริงของร่างกายคือมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่ความจริงของกายความจริงของจิตใจก็คือไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำงานตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักจริงจังอะไรเลยนะแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้ด้วยสั่งมันไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ ดีแล้วรักษาเอาไว้ก็ไม่ได้นะมีแต่ของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่ดูของจริงนะดูเข้าไปไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยใครๆเขาก็ดูเป็นเยอะแยะไปแล้ว